แสวงแย่งกันเกิดความคิดเถียงกันเพื่อหน้าที่มากขึ้นธรรมดาอยู่หลายคนที่อยู่ที่อาศัยก็จะต้องสร้างขึ้นเทเพียงพออหาหารการกินก็จะต้องจัดต้องทําเทเพียงพอการอยู่คนเดียวการในฟุกซีใ่หมู่ในคณะมันสะดวกสบายพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งผู่ นักปฏิบัติเพื่อข้ า, ขามจากโลกจากทีนี้ที่จะเรียมาการทุกข์ทีกันท่านในสัมมาสติทุกข์ทีอย่างคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นีร่วมกันหลายคนก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเจ็บเดีเ๋ยอะคนหนึ่งสบายมันหลายอย่างเท่าน้นที่ถ้าอยู่คนเดียว ยังเราคนเดียวเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเราตายจะเป็นเรื่องของเราอะไรเป็นเรื่องของเราทางนั้นจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้อื่นทั่วไปสะดวกสบายการเจริญการตายการอยู่ของตนถ้าหากบุคคลที่เจรณาเป็นธรรมชอบอย่างนั้นถ้าอาคนไหนที่เจรณาธรรมนี่มูมากทอะไรก็สุขการสบายใจทานั้นก็ได้เออก็เลย เ, เ, เปิดเผยเอออะไรต่างๆเจรนาไป แต่ส่วนใจที่ว่าอาสังขะใส่ผานใจแม้ละคนกับสัญญาอารมณ์เป็นของสําคัญเหมือนกันให้พวกเราทุกพันธ์มันที่นี้ที่เจนะสัญญ า, ารมณ์ที่เราเคยสังคมปรุงแต่ในจิตทำจิตทำใจของเราใช่เร่าร้อนหรือเสียหายมากมาตายกองส่วนจิตของเราที่ดิ่งลงไปสู่ความสงบ แม้ว่าคนเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆเจนอย่างลงไปสู่จิตเป็นเอกภายตา ม, ามีความสุขความสบายอย่างไรหากเราพิจารณาน่อมธรรมะส่วนนี้มาเป็นภายในะก็จะได้ผลได้กำไรอีกเหมือนันการสังคมกับสัญญาอารมณ์มันทำให้เรายุ่งเหยิงต่างๆหากเราไม่สัคงคมมันเลย ไหม่ปรุงไหม่คึิปเลยในสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นจะกำหนดกรรมฐ า, านหรือกำหนดลมหายใจอะไรก็ตั้งใจกาหนดอยู่นั้นเอาอารมณ์สัญญาส่วนนั้นมาฝากสั่งตั้งไว้ในใจของตนบุคคลผู้นั้นจะเห็นผลในการในทุกสียินดีในความเป็นอยู่โดดเดี่ยวยาานี่อการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาจารยสั้นนิสตา <c oughs> สังคมหรือการทุกข์ขี่ทำให้ไม่ดีไมงามขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือเป็นภายในถ้าคนใดเห็นโทษเห็นภัยในการทุกขี่กับหมู่กับคณะตัดสัญญาอารมณ์ได้คนนั้นแหละจะปฏิบัติสะดวกส บ, บายถึงที่สุดยิมุตินิพานได้ข้อต่อไปตลอยินวิยาล้ำพระจตธ ที่ให้พวกเราทั้งหลายพูดจลาฝ่าโลกเ่งกันและกันก็คือาาการผาาเพีย ง, งเยายามการผาาเพียงพวกเราทั้งหลายก็เคยได้แต่ทำบําเพียนยังเคยได้ยินไดฟังมาเีย็นอย่างไรจึงจเจ้ชื่อว่าความเพียนชอบเพียนชอบหมายถึงเพียนหละสตัวบาเพียนดีการที่จะทําความเพียนสะดวกสบาย ก็เพราะที่เราไม่พุกปีเกี่ยวข้องกับหมูกับคณะอยู่สถานที่วิเศษสงบส ง, งัดจึงว่าทมเหล่านี้ทางหากุเจรนาโดยจริงจังจะว่ากุญแจเปิดประตูพระนิพพานโปรดักเพราะทางหากไม่มีอภิชาตาสันติขีไปเ ย, ยตตา อสาสารแท้ๆนี่าเยวิายาลำพาแล้วฉีนเความปกติของจิตของใจศีนือการ พ, ากาพูดทับสามคือการตัดตัดทำทั่วออกจากกายรายจาของตัวและออกจากใจการที่จะรักษาศีลให้ปลอดภัยหรือบริสุทธิ์ได้ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์ อย่างนั้นจะรักษาได้ยากที่สุดเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มัดใหญ่ไฟสูงไม่ยินดีตามมีตามเกิดของตอนเกิดโลกเกิดหลงขึนขอบคุกตีตีโมง ต, งต่างๆผลที่สุ ด, ดจิตใจไปสังคมภายนอกก็รักษาสี้นไม่ได้ตายเมื่อมันโลกจัดขึ้งก็ไปขโมยเขาไปฆ่าเขาไปตีเขา วาจ้าก่อนโอหกโคลลม่อลวงไปต่างๆผลที่สุดศีลเลยรักษาได้ที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์เหล่านั้นจิตของเราจึงจะเข้ามาที่ศีลได้เมื่อเป็นศีลคือมีความปกติดีงามแล้วสมาธิก้อนนั่นแหละจะเกิดขึ้นจะเห็นขึ้นความมั่นคงของจิตของใจความเป็นไปของจิตของใจจะเป็นท่นิสกะ ในอุปจาระอัปปนาได้สะดวกสบายจิตใจตั้งมั่นแน่นอนกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าออกได้เมื่อจิตเป็นสมาชิกำจัดนิวรณ์ออกได้ก็มีความรู้ความฉลาดซึ่งเหีืยกว่าปัญญาที่จะรล่านาอะไรเห็นไระจักชัดเจนแจ่งชัดสื่นเพราะจิตของเราถ้าหาก ไม่มีความสงบสันติจับที่เจรณาอะไรให้เข้าใจชัดเจนเขียนประจับยากที่สุดเหมือนกันกับน้ําที่ถูกกระเทียมอยู่หรือถูกตะกรอนมากๆหรืออะไรต่ออะไรถึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีใน่งามพวงน้ําไม่เหมือนน้าที่ใสได้อยู่นิ่งถ้าน้ําที่ใสได้อยู่นิ่งเราจะมองดูเงาหนา้าหรือมองดูอะไร เห็นขนาดชัดเจนจิตใจของเราที่เคลื่อนผ่านไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไปตามนิวรณ์ทั้งหลายจะพิจรารณาเอาไวัยวะว่างใจก่าตามจะพิจารณาธรรมกว่าตาพิจาจรณ า, า, า, าอะไรกว่าตามไม่ว่ารูปกรอทำหรือนางมาทำย่อมไม่ชัดเจนเห็นประจักเพราะอาศัยนิวรณ์ปกคุมหุ้มหัวปัญญ า, าไว้ถ้าห้า ได้รวมรงมหรือจิตได้เป็นสมาธิแน่นอนพัดเปี่ยนที่จะราอะไรย่อมเห็นระจับเมื่อเราเห็นไปจับสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณเห็นไปจับพัดเปลีนอย่างนั้นส่วนที่เป็นโทษเราก็ไม่ขอาไปหาส่วนที่เป็นคุณเราก็รักษาเอาไว้หรือปฏิบัติไปเหมือนกันกับคนที่มีในตาดีเห็นไฟนไปเหยียบมัน ถึงไฟมันร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อนอยู่แต่ถ้าเราไม่ไปเหยียบมันเล่นไปเนืที่อืน่นไฟมันก็ไปตามไม้ตามเผาเหตนนั้นผู้ที่มีจิตสงบจากที่เละมีใจข่มที่เละเอาได้มีใจเป็สมาธิก็เหมือนคนมีในตาดีแต่ที่เจรนาเลียงความชั่วก็หลีกยังไฟได้แต่ที่จจรนาบระม ความดีภายในจิตในใจพอพิจารณาแจ่มใสชัดเจนเมื่อจิตพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดเจนอย่างนั้นความชั่วที่อยู่ในตัวเราพยายามละออกไปความชั่วภายนอกเราก็ไม่แห้เข้ามาจังกงกับจิตใจของเราเราตามรักษาอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ให้ความชั่วเข้ามาแล้ว กำจัดความชั่วในใจออกไปอยู่ทุกการทุกเวลาอย่างนั้นความดีส่วนใดที่ควรจะเป็นจะไปเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจิตใจเมื่อเราตั้งหน้าตาาาั้งตาละทุกข์บำเพ็ญดีอย่างนั้นเราจะเห็นไปจากชัดเจนเรื่องธรรมที่ีย่างบางนิมิตพะปัญญาเมือ่อพิจารณาจริงจังหรือจิต อย่างเข้าไปสู่ความสงบเราจะเห็นสัญญาหรือรังขามอย่างชัดเจนเห็นจิตของตนจิตเป็นนามะธรรมทุกท่านทุกค น, กคนเครรู้เคยเข้าใจว่าจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่เพราะว่าปัญญาก็เป็นนามธรรมผู้ที่มีจิตหนักแน่นในกา ร, รปฏิบัติจริงจังจะไม่เห็นจิตของตน ไม่มีจะต้องเห็นชัดเจนเพราะปัญญาละเอียดเข้าไปจะต้องไปเห็นจุดที่มันปรุงแต่งอย่างไรมันเป็นอะไรเข้าใจชัดเจนถ้าหาไม่เห็นจิตก็ไม่มีเวลาที่จะละทั่วบําเพ็ญดีได้เพราะอะไรทั่วไปเกิดขึ้นจากจิตตัวที่เป็นอริชาเมื่อปัญญาเข้าไปถึงเรื่องเหล่านั้นถึงจิตอย่างนั้น ปรุงขึ้นมาจึงเยียกว่าสังขานปรุงขึ้นมาเมื่อไรสติปัญญาสอกํากับรักษาควรจะปล่อยไปปลก็ปล่อยไปควรที่จะรักษาไว้ก็ ร, รักษาอาไว้เรื่ออย่างนั้นท่านอยู่ทุกการทุกเวลาอํานาจของกิเลสตัญหาจะไม่มีวันมีเวลาจะเข้ามาสังคมให้เราเสียเวลาเสีย ว, วันไปเพราะใจที่เข้าไปถึง จิตอย่างนั้ น, น, นจะที่อยากเรามหาสติก็ไม่จิตเพราะไม่มีวันมีเวลาที่จะเผลอตัวนอกจากนอนหลับเท่านั้นจะชันอยู่ก็าตามเดินไปดินธ่าบาทก็าตามจะไปสถานที่ใดกว่าตามความปรุงของจิตจอมพันอยู่ทุกวันทุกเวลามันปรุงขึ้นมาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสัญญาเรื่มันอีกรู้เข้าใจขนาดชัดเจนเมื่อเห็นจิตอย่างนั้น ถ้าเรียกว่าปัญญาหรือมหาสติรักษาตัวอยู่ในซองแฉกเหมือนกันกับแผอย่างรักษาบ้านคนผ่านเข้าไปรู้จักนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นแผลในเชาวบ้านจของบ้านรู้จักพอเรามีสตีอย่างนั้นนะการรักษาชั่วหรือบัมพินดี ยินงขวอยเทมีคูณขึ้นได้ง่ายเพราะความสั่วไม่ได้เข้าไปความดีส่วนใดที่ควรจะปล่อยให้ใจที่นิจเจรณาเกิดสติปัญญาขอดถอนที่เลียนปัญหาปล่อยให้มันคิดมันมนึกนีเรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาเขลไปถึงจุดอย่างนั้นความหมุดพอนของจิตของใจเป็นอย่างไรในเมื่อมันคลายออกซึ่ง โลกทั่วไปเราจะรู้จักว่าจิตของเราแต่ก่อนเคยสงบเป็นอย่างนั้นจิตของเราที่จะเห็นจิตหรือความนึกจิตปลงแจงของสังขารเป็นอย่างนั้นแล้วความหลุดพ้นไปจากสังขารคืออะไรพุ่งแรงอย่างไรไม่มีเข้าไปถึงสิ่งเหล่านั้นความหลุดพ้นเหล่านั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติ จะไปจากชัดเจนในตัวของท่านทุกท่านทุกคนไปเหตุนั้นสมมติทั่วไปจึงไม่ใช่ทำบริสุทธิ์แต่เราพูดกันเราเห็นกันเราใช้จริย า, ารรมรยาทุกอย่างส่งช้าตามสมมุติแต่เรื่องดีมุตินอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะจิตคนไป จ, จากสมมุติทั่วไปไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ ความเป็นอยู่ธรรมดาอะไรทั่วไปไม่ใช่จึ้งที่บอกว่าลิมตธความที่เป็นลิมุตธอย่างนั้นเห็นขึ้นกับท่านไปจากขึ้นกับท่านท่านจึงเทียบอกว่าลิมุธยาณัติชน ะ, ะนี่จะถาวัตถุศีลสมาธิปัญญาลิมุตลิมุตยาณทัศน ะ, ะจะเห็นได้จะเข้าใจได้จะไปจากใจสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินอกจาก ผู้ประกอบปฏิบัติไปแล้วจะพิจารณาจิตเผืนคิดไม่ยังลงถึงสมาธิเอาเชียร์เลยพิจารณาไปลอยลมมันมีวันมีเวลาที่จะเท่าไปสู่จุดวิมุติอย่างนั้นได้เหตุนั้นพวกเราซึ่งเรียกว่านักปฏิบัติให้มันทีนิตพิจารณาตรวจตราดูตัวพ้องตัวเป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะคอยวันคอยคืนเมื่ อ, อไรเราจะทําให้เป็น ผูธทสมบูรณ์ในตัวของตัวหรือจะไปทันชาติไหมเวลาใดการใดหากพวกเราสอบสืบที่นี้พิจนารณาตัวอยู่อย่างนั้นส่วนใดชั่วส่วนใดไม่ดีก็รีดกำจัดออกไปจากกายจากวาจาจากใจของตนส่วนใดดีก็มันจะทำบำเพ็ญอย่าไปรนลักหาก ต่างท่านต่างคนมันทีนิ้ที่แกนาะต่างท่านต่างคนต่างฝึกฝนส่งโคง้งฝนเพื่อความมุ่งพ้นไปจากที่เหลวไม่แอบอิงทิงอาศัยเพียงแต่ชื่อว่านักปฏิบัติเท่านั้นก็จะมีวันมีเวลาที่จะนาาะําภาสาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้คนอื่นก็จะปฏิบัติเล้วแหลกชั่วช้าลามกไปอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เสียทีเรายังดีงามบริสุทธิ์ฝุดผ่อง อยู่ทุกการทุกเวลาเราจะไม่ได้เมาตัวเราจะเกิดความเดื่อมใสในตัวของตัวแต่ผู้ที่มีกต่จิปัญญามีวิชาความรู้ผูที่ทีนี้ที่ททจะอะไนาจะห้ามมันไว้ไม่ให้มันเดื่อมใสไม่ให้มันเสือ่อในจิตในใจห้ามไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะคนทั่วไปต้องการของดีเมื่อเห็นปราพติ มีปฏิบัติดีมีจิตใจสูงเขาจะต้องเคารพเขาจะต้องเลื่อมใสเขาจะต้องพอใจไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าหากปรฤตชั่วเสียหายแม้เราเองก็ยังติดเห็นมินทา้าตัวของเราแต่ควรที่จะทําชั่วอย่างนั้นคิดชั่วอย่างนี้เราก็ยังรู้ยังไม่พอใจในตัวของเราคนอื่นเขาก็เหมือนการเียนเขาเขาก็ไปต้องการเหตุ น, นั้นพวกเราทุกท่าน ผ่ดตัวนักปฏิบัติต้องหมั่นินเทอร์เชนเนอร์จำจัดตั๋วบําเพ็ญดียาอยู่แบบตาฝักยู่ในศาสนาแบบตาฝักยู่เพ่งชิงอิงอาศัยว่าเขานับถือเช่น้าเป็นเนนก็อยู่ไปแต่กายวาใาใจของตนเป็นอย่างไรไม่ทำหนึ่งคานวณทิ้งอยู่แบบนี้อยู่แบบตาฝักอาศัยต้นไม้แล้วก็กินต้นไม้อยู่นั้นเนี่ยต้นไม้ตายก็ตาสักก็าตายไปด้วย อยู่แบบนี้ไม่ดีมีพวกเราทุกคนหากมันฝึกฝนหรือคิดอ่านการเทชิปฏิบัติของตนว่าทางหากคนอื่นทําอย่างเรานี้ศาสนาจะมีผู้เลื่อมใส่ศรัทธายินดีหรือไม่หากเราคิดอ่านตัวของเราอย่างส่วนใดไม่ดีก็จะได้ดัดแปลงแก้ไขส่วนใดดีแล้วก็จะได้รักษา จะทาบมเพ็ญต่อไปหาปฏิบัติได้อย่างนี้ศาสนานับวันที่จะ ก, ก้าวหน้าสำหรับโลกทั่วไปเพราะนักปฏิบัติทุกรายตั้งหน้าตั้งตาํำระชั่วบาเพ็ญดีเพื่อผลที่สุ ด, ดมดิมุทิภามด้วยกันเท่านั้นไม่ปฏิบัติอ้อมคอมไปทางลาภกัลระหรือเรื่องต่างๆมาเนี เหตุนั้นนักปฏิบัติจึงควรสืบสอบหรือคำนึงคำนวณถึงตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอหากไปคำนึงคำนวณอย่างนี้อยู่ไปพอหมดวันหมดหมดคืนหมดปีหมดเดือนก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละศีลไม่รูเร้เป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรไม่นสนใจการแต่ทาบําเพ็ญยหายอย่างไรได้อย่างไรใน่คำนึงคำนวณถึงเป็นอย่างนี้ พวกเราซึ่งเป็นแนวหน้าหรือเป็น <c oughs> ผู้นำของศาสนาจะให้ประชาชนเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสเพราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้เพราะนักปฏิบัติเลี้ยวแหละไมน่าเคารพไม่น่าฝากบ้านไน่ า, า, า, นายินดีก็ได้เชื่อว่าพวกเราซึ่งเป็นนัก บ, บวชเยียบย่ําศาสนาคนก็ไม่เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมใสนี่้าะพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่า น, นาําศาสนาไม่เป็นอย่างนั้น ยังจะไปเห็นท่านเล่าถึงปฏิบัปทาเราก็ยินดีหล่อมใสในตานแต่ทำบําเพียนของท่านไปสอบถามธรรมะภายในซึ่งเราเคยต่อเชื่ปฏิบัติมาอย่างไรเป็นอย่างไรท่านก็แจ้งให้เลื่อนแนวให้เราทั้งหลายจึงเชื่อจึงหลอมใสในท่านหากไมปฏิบัติอย่างนั้นจะปฏิบัติเพียงการขบการอนการอยู่การชิน เป็นอย่างไรเนี่ยคำนวงคำหนึ่งถึงศาสนาล่มจมมานานแล้วในตองสาบถึ้งว่าจะยืดยาวมาถึงขนาด น, นี้ผู้ประพฤชดีปฏิบัติชอบยังมีคนจึงเชื่อจึงเรื่อมใสจึงยินดีพอใจติดตามขอเพื่อปฏิบัติเรื่องของศาสนาศาสน า, าอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นเป็นอาตาลิโกจริงจงัคือไม่มีการไม่มีเวลาผู้ประพชดีปฏิบัติชอบ เชได้รับผลมัดผลพระพุทธเจ้าในผู้ขาดว่าผู้หญิงผู้ชายฆราวาสหรือบรรพจิตจะประพฤติปฏิบัติได้แต่ผู้หญิงประพฤติปฏิบัติไม่ได้ผู้ชายเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติได้ในแตู้ขาดนักบวชเท่านั้นจะได้มรรคผลฆราวาสไม่ได้ท่านก็ไม่ผู้ขาดฆราวาสเท่านั้นจะได้มรรคผลนักบวชไม่ได้ท่านก็ไม่ผู้ขาดเย่างนี้ัจเคล็ดนั้นศาสนาจึงเป็นสมบัติกลาง และเป็นอาราศลิขูผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าเทราวาไม่ว่าบันทัศิ์จะต้องรับผลคือความจุความสบายเกิดขึ้นภายในตนของตนและมาผลก็เกิดขึ้นตามกำลังที่เป็นชำระสายสังเกตได้จะเป็นเทราวะห า, า, าละความชั่วได้บําเพนความดีได้ ก่น่าปลื้มใจยินดีเป็นมันได้คิดทางหากละความชั่วไม่ได้ถึงเพศจะเป็นเพศสูงเพศดีเด่นแตกต่างความชั่วทางหากแอบเผาอยู่ก็ไม่มีวันนีเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายพ้ทนที่สุดกงวกเวียนออกไปเป็นราวาสอีก <c oughs> หรือจะอยู่ในศาสนาก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเพ็นั้นทาที่เยกวาจ า, ารรยนีโกง คือผู้ประพฤติด <Anyone> ีจะเจ้าได้รับผลดีผู้ประพฤติชั่วจะเจ้ารับผลชั่วมัดผลยังคงที่ดีงามึงสัยว่าจะหมดไปตามที่ท่านปรินีถ่านยังคงที่อยู่เหตุนั้นจึงขออาราธนาทุกท่านทุกคนสนใจประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีแจ่ชื่อถ้าหากนักปฏิบัติของเราเอาใจใส่ ในการชำระชั่วบําเพ็ญดีตั้งหน้าตั้งตาประพื่อปฏิบัติกําจัดตัวข้องตัวในด้านชั่วไม่ให้เกิดให้มีขึ้นด้านดีอย่างไรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะทําบําเพ็ญจนถึงจี่สุดมีมุนิมพานได้ก็ได้ชื่อว่าพวกเราเิดสู่บูชาพระพุทธเจา้าในด้านปฏิบัติเป็นอย่างยิงย่งเหตุ น, นั้นพวกเราทุกท่านซึ่งเป็น าศาสนพายาคือสีอระศ า, าสน า, าจงพากันต่างนาต่างต า, งต า, งตางประพฤติปฏิบัติอย่าไปแล้วลึกคิดว่าการ น, นี้สมัยนี้ไม่มีนักคมิ่งผลหากพวกเราทุกคนเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระเจ้ า, า, า, ายอย่างนั้นใส่พากันรีบประพฤติปฏิบัติต่อไปในอวส า, านการอธิบายธรรมนี้ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ นักปฏิบัติทุกส่วนหน้ากันเทินเองแล